บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแกการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเมื่อวันเสาร์ก่อนได้กล่าวถึงเรื่องของกามราคะซึ่งเป็นสังโยชนลำดับที่หที่สการเรียงสังโยชน คือกิเลสที่ปลูกใจสัตว์เอาไว้นั้นในบาลีปรากฏอยู่สองสามแห่งด้วยกันในลำดับในการเรียงแตกต่างกันเพราะโดยสภาพความเป็นจริงแล้วกิเลสที่เกิดขึ้นเวลากระทบอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสนั้นมันก็ไม่แน่ว่ากิเลสอะไรจะเกิดขึ้นก่อน เป็นอยู่กับพื้นอัตยศาศัยหรือการปริมาณของกิเลส ท, ที่มีอยู่ภายในใจบุคคลนั้นในเรื่องนั้นๆเพราะเราจะเห็นได้ว่าอารมณ์อย่างเดียวกันเจนสมมุติว่าได้เห็นคนคนหนึ่งเดินมาเรานั่งกันอยู่หลายคนความรู้สึกต่อบุคคลเหล่านั้นของคนที่นั่งกันอยู่หลายๆคนนั้นมีความแตกต่างกัน บางคนอาจจะรู้สึกเฉยๆบางคนอาจจะรู้สึกพอใจดีใจและในความพอใจดีใจก็อาจจะมีมากมีน้อยขึ้นอยู่กับความสนิทสนมคุ้นเคยหรือความผูกพันกันเป็นการส่วนตัวบางคนอาจจะรู้สึกไม่ชอบแต่ในความไม่ชอบนั่นเองบางทีอาจจะรู้สึกกำคาญอาจจะหงุดหงิดอาจจะโกรธออาจจะเกิดความเครียดแค้นจนถึงกับ ตรงมือประฏิสไลหรือด่าว่าอะไรเป็นตน้นเราขึ้นอยู่กับจิตที่เขากำหนดสถานะของบุคคลผู้นั้นไว้ในฐานะอะไระลักษณะาอารมณ์ที่เกิดจริงๆเราก็ไม่รู้อะไรมันจะเกิดก่อนเกิดหลังแต่เมื่อเรานำมาเรียงเป็นลำดับอักษรเป็นตัวพิมพ์เป็นการพูดมันก็ต้องพูดกันทีละคำเรียงกันไปตามลาดับ เพราะนั้นเป็นเรื่องของวัตถุที่มันกินเนื้อที่เมื่อตรงหนึ่งมีสิ่งหนึ่งอยู่แล้วเราจาสิ่งหนึ่งมาทับลงไปมันก็ไม่ได้เราต้องมีการต่อกันไปแต่ข้อความที่นำมาเรียงนั้นก็มีนัยยะอีกนัยยะหนึ่งคือเป็นการเรียงตามลาดับที่พระญา บ, บุคคลทันละได้หมายความว่าเรียงจากหยาบไปหาที่ละเอียด เป็นการขยายตัวของกิเลสทั้งสามกลุ่มท่นนั้นคือโลกปรดหลงท่านั้นเองเียนแต่ว่าความหลงระดับหยาบๆมันก็ละได้ไปก่อนอยังเราอยู่ในโลกในสังคมและเราสังเกตว่าตั้งแต่เกิดเป็นต้นมาเราก็มีคาถามว่าอะไรกับใครอยู่เรื่อ ย, อ, ยอันนั้นแสดงถึงความไม่รู้จึงเริ่มต้นด้วยใครหรืออะไร แต่เมื่อเรารู้เพิ่มขึ้นเรารู้ว่าใครเป็นใครและอะไรเป็นอะไรต่อไปเราก็สงสัยในรายละเอียดของบุคคลเหล่านั้นหรือของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มีคำถามเพิ่มขึ้นว่าอย่างไรทำไมเพราะเหตุไรเราก็มีคถาถามตามกันมาเรื่อยๆแล้วก็มีการศึกษาค้นคว้าเจาะลึกลงไปมันก็ขจัดความสงสัยในเรื่องเหล่านั้นออกไป เราจึงเข้าใจสิ่งเหล่านั้นในหลายระดับด้วยกันแต่ในขณะเดียวกันก็โมหะคือความไม่รู้มันก็ยังมีอยู่สมมติวัตถุชิ้นหนึ่งของคนที่มีความศึกษาในระดับที่แตกต่างกันอย่างที่ในพระบาลีทนยกตัวอย่างว่าเหรียญกระสับเหรียญหนึ่งกัะเหรียญเหรียญหนึ่งทุกคนก็หาคำตอบได้ว่าอะไรระหว่างเด็ก ผู้ใหญ่กับอธิบดีกรมธนารักษ์แต่ในรายละเอียดแล้วเด็กรู้น้อยกว่าผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่ก็รู้น้อยกว่าอธิบดีกรมธนารักษ์นั้นแสดงว่าเป็นความรู้ในเรื่องเดียวกันแต่ก็มีความละเอียดในรายละเอียดแล้วเราก็มีความรู้แตกต่างกันอยู่เพราะโมหะที่ถูกขจัดไปเราก็เป็นการขจัดไปได้ระดับหนึ่ง ไม่ได้หมายความว่าะจัดไปได้ทั้งหมดแต่จึงมีเรื่องที่ไม่รู้แม้ในเรื่องที่เราเคยรู้นะลึกลงไปบางทีเราก็ไม่รู้ทำไมเราพบแนวการฟังธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงถึงผลของการฟังธรรมประการแรกผู้ฟังจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง หมายความว่าในการฟังครั้งหนึ่งในการอ่านครั้งหนึ่งในการสนทนากาันรครั้งหนึ่งนั้นมีเรื่องเป็นนันมากที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมันเลยแต่ในจังหวะนั้นก็ได้ยินด้วยความเพิ่มขึ้นซึ่งก็หมายความว่าเพิ่มความรู้ขึ้นระดับหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าทะลุปลุกปลงไปเลยคือแตกฉานไปได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราไม่เคยรู้เราก็ได้รู้เพิ่มขึ้นแต่นั้นเด็ก จริงใดได้เคยฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดจะเข้าใจสิ่งนั้นชัดในแง่ของความจริงแล้วความไม่รู้นั้นได้ถูกขจัดไปจากการฟังจากการอ่านจากการสนทนาจากการคิดค้นในช่วงก่อนๆแต่จริงๆเราก็ไม่เข้าใจอะไรหมดไม่ต้องดูอื่นใกลแม้แต่ตัวเราเองหรือคนที่ข้างเคียงเราเองจะอยู่กันมาได้ตั้งนานแต่ควาจริงเราก็ไม่เข้าใจเขาทั้งหมด บางทีคบาหาสมาคมกันมาตั้งหลายปีแล้วเกิดแสดงอารมณ์ชีพกาาิกลออกมาก็ทําทให้เรานึกสงสัยว่าเองไม่นึกว่าจะเป็นอย่างนี้อยู่กันมาตั้งนานแล้วไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนอย่างนี้ไปได้แล้วก็หมายความว่าเราก็ไม่รู้จักเขาทั้งหมดแล้วตัวเราเองหรือความคิดของเราเองมีเป็นนันมากที่เราก็ไม่รู้เพราทําไมจึงคิดอย่างนั้นทําไมจึงพูดอย่างนั้น ทำไมจึงมีพฤติกรรมอย่างนั้นสแสดงว่าโมหะมันก็คลุมมาอยู่ตลอดเพียงแต่ว่าคลุ ม, มอยู่มากและอยู่น้อยเท่านั้นเองแล้วข้อที่หนึ่งทรงใช้คำว่าบรรเทาความสงสัยเสียได้เราแสดงว่าสิ่งหนึ่งเราเข้าใจอะไรไปยากแต่ก็ยังมีความเครียดแร็งสงสัยก็ยังมีโมหะอยู่ในหลายจุดหลายมุม ควอีกครั้งหนึ่งมันก็เกิดขาจากความเครืแป่งสงสัยออกไปพอได้เงื่อนไขาสามประการ น, นี้เพิ่มขึ้นก็ปรับความเห็นของตในให้ถูกต้องที่สงใช้คําว่าทําความเห็นของตในให้ถูกต้องได้หมายความว่าในขณะนั้นปริมาณของปัญญาเขาก็เพิ่มขึ้น อย่าน้อยก็คุมทิศทางแยกแยะอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ดีชั่วเสริมเจริญสุขทุกเป็นเหตุแห่งทางเสื่อมหรือเหตุแห่งทางเจริญหือบางอย่างเราก็จะรู้อะไรไม่ตลอดเราก็ใช้ศรัทธาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ในช่วงใดที่เรามีความมั่นใจเรามีประสบการณ์ตรงในเรื่องเหล่านั้นเราก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างคือใชศรัทธาก็ได้ใช้ปัญญาก็ได้ก็ควบคู่กักกนแล้วก็ทําให้จิตผ่องใสข้อนข้อที่ห้าต้งใช้คำว่าจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสผ่องใสจากอะไรที่เห็นได้ชัดเจนก็คือผ่องใสจากความไม่รู้ พูดง่ายมาจากโมหะทีนี้พอโมหะค่อยลดเนี่ยโลภะมันก็ลดโทสะมันก็ลดทีถ้าลดลงไปได้มากเราจะเห็นว่าความหววงความเสียดายทรัพสมบัติอะไรต่างๆมันก็ลดลงไปรางการฟังบางครั้งในที่บางแห่งคนเกิดศรัทธาขึ้นมาก็บริจาค สนับสนุนกิจกรรมนั้นๆต่างๆเป็นต้นเชน่นได้ยินกา ร, รชี้แจงอธิบายเหตุผลในเรื่องอะไรแล้วเราก็เกิดศรัทธาเราก็เกิดบริจาคซึ่งก็หมายความว่าในขณะนั้นโมหะถูกจัดไปโลภะถูกจัดไปความสนิทถูกจัดไปความโกรธก็ถูกกจัดไปก็ทําให้เกิดการบริจาคทีนี้จิตมันเดินไปมากกว่านั้น ยันที่เคยเล่าถึงอุบาสิกาซึ่งเป็นบารดาของพระเถระชื่อว่าโสนะกุติกันนะท่านขวางพระเทศจูบ้านท่านมีกำแพงกั้นแข็งแรงมากโจรจะเข้าไปลักขโมย้วทำอะไรไม่ได้มันก็ขุดกำแพงเจาะเข้าไปนู่มงเข้าไปมีคนเห็นแต่โจรก็ามาก จนมันก็มีคนมาแจ้งท่านได้แจ้งเป็นตอนเป็นตอน ต, ต, ตั้งเจ็ดโจรเริ่มขุดอุโมงโจนโจรไปขนทรัพย์สมบัติเนี่ยแจ้งหลายตอนทุกๆตอนไปนี้โจรทำไป ถ, ถึงนั้นแล้วถึงนั้นแล้วถึงนั้นแล้วถึงนั้นแล้วก็บอกท่านได้ท่านก็ไล่คนเหล่านี้ออกไปว่าอย่ามาบอกทำให้ฉันเสียสมาธิในการฟังธรรมโจรอยากได้อะไรก็ให้เอาไป แต่เธออย่าทำลายโอกาสในการควางธรรมความจริเธอเดีสังเกตได้ว่าความคิดเหล่านี้ไม่ใช่ความคิดธรรมดาหมายความว่าอย่างไงมยความว่ใจท่านผอ่องแผ้วขึ้นไปมากจนปัญญาเกิดพิจารณาแยกแยะได้ยิ่งในยุคสมัยนั้นโอกาสที่จะวังธรรมก็วางได้ยาก พระมีจำนวนน้อยคนมีจำนวนมากบ้านเมืองกว้างขวางนันนานที่พระจะผ่านไปสักครั้งหนึง่งเพราะในการความธรรมกลายเป็นเรื่องยากได้เป็นการสร้างบันไดแห่งความสุขความเจริญความพัฒนาการด้านต่งตางๆแต่ทรัพย์สมบัตินั้นถ้าก็มองเห็นว่าเป็นของนอกกายท่านอยู่ถ้าก็อาศัยใช้สอย จากไปทั้งก็ทิ้งเอาไว้ในโลกนี้แต่พัฒนาการทางจิตที่เกิดขึ้นจากการวางธรรมนั้นเป็นสมบัติที่ติดตัวเป็นการยกระดับจิตใจของท่านให้สูงขึ้นแต่น้อยกระสแต่งพบชาติได้ประณีตขึ้นเพราะนท่านจึงใช้ปัญญาปิญญาเทียบเคียงหมายความปัญญามันเกิดขึ้นในระดับเทียบเคียงได้พระเทียบเคียงได้ความหวงความเสียดาย ในทัพสมบัติมันก็ลดลงไปเพระาะโมหะมันลดมันก็ลดแหละไอโทรศัพท์ในโจรมันก็ไม่มีโจรอยากได้ใครก็ออกไปท่านเล่าว่าจริงๆแล้วโจรก็มาคุมท่านอยู่คือส่งวหน้ามาคุมท่านไปนะความทะลุกขึ้นจะไปปกป้องทรัพย์สินแล้วจะถูกฆ่าแต่นายโจรพอได้ยินท่านทำอย่างได้ยินท่านพูดอย่างนั้นได้เห็นท่านทำอย่างนั้นเกิดศรัทธาเริ่มใส่ คือไม่เคยเจอเจ้าทรัพย์ในลักษณะนี้กลับไปสั่งลูกน้อยคนทรัพย์สมบัติข้าไปคืนทั้งหมดเก็บไว้คืนทั้งหมดแล้วก็ยกพวกมาขอขมาโทษท่านก็ไม่ถือสาความอะไรแต่ก็แนะนำชี้แจงถึงบาป บ, บุญคุณโทษในการกระทํำจากนั้นในสุดก็เอาคนเหล่านี้ออกบวชในพระพุทธศาสนาได้ข้อนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่า ตัวการใหญ่มันก็อยู่ที่เริ่มขาจาัดโมหะไว้โลภะก็ลดลงโทสะก็ลดลงเมื่อโมหะก็ลดนั่นเป็นธรรมานุภาพที่เกิดขึ้นสร้างความผ่องใสความเยือกเย็นให้ปรากฏภายในจิตของท่านและจากการทำการพูดของท่านนั่นเองซึ่งมีฐานมาจากรู้สึกไม่เสียดายทรัพย์แล้วก็เมตตาต่อโจรเนี่ย ก็กลายเป็นธรรมานุภาพเป็นนุภาพแบ่งทำที่โจรก็ได้เห็นได้ยินได้สัมผัสก็เปลี่ยนจิตใจของโจรที่เขียเ่ยมเครียร์รุร้ายให้ลดลงไปกลายลงไปจนกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีข้อนี้ถ้าหากว่ามีมากเราก็ดูตัวอย่างจากพระพุทธเจ้า ก, ก็ดีพระหันทั้งหลายก็ดี ที่คนมุ่งเข้าไปด้วยประสงค์ร้ายจริงๆต้องการจะฆ่าต้องการจะทำลายจริงๆแต่ก็ทำไม่ได้แม้แต่สัตว์ริษาารจะจ้าง น, นากิรีที่พระเทวทัตส่งไปให้แต่งพระพุทธเจ้าทำไมจึงแต่งไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของเมตตาอนุภาพเป็นอนุภาพของเมตตาที่แผ่เต็มเปี่ยมในพระไทัยของพระองค์ ก็กระทบจิตใจแม้ของสาธเตชะทำให้เกิดการอ่อนโยนจ น, จนึงก็คนบางคนที่ไปไหนมาไหนไม่ค่อยมีปอันตรายแม้แต่นั่งทากลางยุงยุงก็ไม่เคกัดเป็นต้นเนี่ยรุแรจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความผ่องใสที่มีอยู่ภายในใจท่านเป็นเมตานุภาพที่สร้างความอ่อนโยนให้เกิดขึ้นแก่คนที่เข้าใกล้จิต ทำให้เราพบคนที่เราเข้าใกล้ชิดบางคนพบแล้วรู้สึกสบายใจเยือกเย็นใจเกิดปีติประโมทอยากอยู่ใกล้อยากคุยด้วยอยากผ่านสมาคมกับท่านนี้ก็คือลักษณะของธรรมะที่สะท้อนออกมาเพื่อการขัดเกลากิเลสโดยวิธีการต่างๆซึ่งว่ากันตามหลักความจริงมันก็คือวิธีการ แต่โดยจุดมุ่งหมายก็คือว่าตั้งยศตัวไหนจะเกิดจะเกิดเมื่อไรก็ตามทำอย่างไรปัญญาจึงจะเกิดรู้เท่าทันทั้งความจริงว่าความรู้สึกเหล่านี้ถ้าปล่อยให้เขาเกิดแล้วเขาก็อยู่ภายในใจคือครอบกำใจเขาก็จะมีกำลังกล้าแข็งมากยิ่งขึ้น ในสุดก็จะสร้างเป็นลักษณะสันดานคือจิตสันดานก็กลายเป็นระบบขึ้นมาในลักษณะต่างๆคล้ายๆกับระบบวันรณะที่มีอยู่ในศาสนาที่อยู่ในประเทศอินเดียหรือแม้แต่ความเป็นอิสลามความเป็นอินดูที่สะสมเอาไว้ในอินเดียซึ่งจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไร มันเป็นเรื่องของความยึดมั่นหรือมั่นโดยอำนาจของสักการะทิฏฐิที่ผิดผิดมาตั้งแต่ต้นนิยต์ถือว่าที่ดินตรงนี้เป็นของฉันของฉันของฉันของฉันแล้วก็ซ่อนซ่อนกันมาปัญญาที่จะพิจารณาในแง่ของความเป็นจริงว่าจริงจริงมันไม่มีใครเป็นเจ้าของที่ดินที่ดินที่แท้จริงเนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของบ้านที่เราอยู่เวลานี้ ถ้าลองถามกันได้หมายความว่าคนซึ่งเคยอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตื่นขึ้นมาทุกๆคนเนี่ยจะถามว่าที่ดินตรงนี้ของใครมันก็ต้องถามว่าในยุคไหนในพศไหนถึงพศไหนตกลงว่าเจ้าของจริงๆมันก็สมมุติกลาเป็นทอดๆช่วงใดใครครอบครองถูกตอ้องตามกฎหมายช่วงนั้นก็สมมติว่าเป็นของเขา มันก็เป็นความจริงในแง่สมมติเท่านั้นเองไม่ใช่ความจริงในแง่ที่แท้จริงรเพราะแท้จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าทราางแสดงว่าที่ทสัตว์เคยไม่เคยตายเนี่ยมันไม่มีเลยในโลกเนี่ยในจุดใดก็ตามของผื้นดินใหญ่โตโมูราเนี่ยต้องมีสัตว์เคยตายปนาสัตว์อะไรเคยตายแล้วก็ตายเมื่อไราตายจํานวนเท่าไหร่แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือสัตว์ต้องเคยตาย คนทีดินทั้งหลายมันก็มีผู้ครอบครองเ้า ก, ก็เคยครอบครองมาแล้วแล้วก็ต่อกันมาเรื่อยๆจึงไม่มีใครเป็นเจ้าเข้าเจ้าของจริงๆถ้านเห็นว่าตัวนี้จริงๆเมื่ก็คือการสะสมสะสมด้ดวยนหน้าอะไรด้วยอํานาจของการมราคะก็ทําให้โมหะเขาเพิ่มขึ้นไอสักกายะคือความเห็นเป็นเน็ตเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาเป็นของเราของเขาเนี่ย มันกเกิดขึ้นแรงจนหลงประเด็นเหล่านั้นอาจจะรื้อเหตุการณ์เมื่อห้าร้อยปีมาแล้วออกจากนิยายปรำปรากระไรทับไปัเป็นเงื่อนไขในการต่อสู้ทำลายร่างกันอย่างคราวๆที่เราได้ยินได้ข่าวข่าวต่างการต่อสู้ของคนในส่วนต่างๆเราจะเห็นว่าจริงๆมันก็เป็นอาการข้องโมค่ะ แต่ว่ามีการตอบย้ำมีการสะสมทำให้กิเลสเหล่านั้นเพิ่มขึ้นจะเป็นเพิ่มตัวไหนก็ตามนะ่ยแต่ถ้าเพิ่มเขาก็เพิ่มด้กันเช่นในกรณีนี้ก็เพิ่มความแค้นทำให้เกิดความอยากได้เจ อ, อเรอืออาจจะเพิ่มความอยากได้แต่คนอื่นมาถือครองมันก็เพิ่มความแค้นด้วย แค้นที่คนอื่นไปถือครองแค้นที่คนอื่นไปครอบครองแค้นที่คนอื่นก็ชิงเราแต่ทีนี้บางอย่างเนี่ยมันก็สะสมในรูปของความแค้นเพราทีเนี้ยเคยเป็นของปู่ย่าตาตัวของเราเมื่อห้าพันปีที่แล้วแล้วคนนี้ก็มาถือครองเอาแล้วเกิดความอยากได้ใจจริงๆนะอยากได้ขึ้นอยากได้คื น, คนก็ทําให้โกรธคนที่ ที่ไปครอบครองสิ่งเหล่านั้นจบก็แสดงเห็นว่ากิเลสเขก็แยกตัวเองหมายความว่าตัวสถานที่ตัวพื้นดินเนี่ยเราเกิดอยากได้ก็เกิดโลภะแต่ตัวคนที่ครอบครองพื้นดินที่เราอยากได้เนี่ยเราเกิดโทสะแต่มันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากสักกายะคือถือว่าเป็นของเราเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้นั้นเป็นพวกเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราก็ว่ากันไป มันจริงๆแล้วกิเลสเขาก็ปนๆกันอยู่ไม่ใช่ว่าแยกโดดเดี่ยวออกมาเป็นข้อไดข้อหนึ่งเดยนแต่ว่าการพูดนั้นท่านจะมองว่าตัวไหนที่มัอาการมันเด่นท่านก็พูดถึงอาการเหล่านั้นแล้วก็พยายามที่จะมองให้เห็นโทษของอาการเหล่านั้นในกรณีของการมราคะที่พูดไว้ในวันก่อน ท่านเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีอยู่สองตัวคือตัวภายนอกได้แก่สิ่งซึ่งทั้งหมดที่เราเห็นได้ยินได้ถูดูดมได้ลิ้มได้จับต้องเพราะโลกเราเป็นโลกของสัมผัสพูดไปพูดมามันก็มาอยู่ตรงนี้แต่เราโดยสรุปก็คือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนหนักแข่งตัวของมันนั้นที่จริงแล้วมันเป็นทุกข์สัตว์มันเป็นสภาวะธรรมชาติธรรมดา ที่เกิดขึ้นมาโดยเหตุปัจจัยดำรงอยู่โดยเหตุปัจจัยแล้วเนี่ยจิก็เสื่อมสลายไปเราจะไปกำหนดหวัตของเราไม่ใช่วองเรากำหนดด้วยความรักความจังความเฉยๆหรือแม้แต่เราไม่เคยรู้เคยเห็นสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างที่มันเคยเป็นหรือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราเกี่ยวข้องกับโลกโหลดนี้โดยความไม่รู้ในเบื้องตน้น ว่าในชั้นแรกเราจึงถามว่าอะไรดังกล่าวแล้วแล้วต่อมาด้วยความสงสัยอยากรู้อยากสัมผัสอยากดิน้นแล้วก็มีการสอบถามเพื่อจะบางครั้งเนี่ยด้วยอะไรนั่นเองที่เราเช่อว่าเด็กจับอะไรก็ต้องการทดสอบก็จับใส่ปากอะไรไม่รู้เขาก็จับใส่ปากก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเด็กเขาสัมผัสเขารับรู้รถทางปาก มาในเบื้องตน้นเพราะนั้นก็เรียนด้วยปากก่อนสแสดงให้เห็นถึงเห็นถึงอาการของโมฆะที่ไม่รู้ว่าอะไรจะพิสูจน์ด้วยอะไรแต่เธอก็มีโลภะเธอก็มีความสงสัยคืออยากรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอาการเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นเป็นในที่สุดเมื่อเราเห็นคุณเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นคือเราชอบหรือไม่ชอบจริงๆไม่ใช่เชิงคุณเชิงโทษหรอก เพราะบางทีเป็นโทษเนี่ยแต่เราชอบอะ่ะเราก็อยากได้เราก็ไขว่คว้าสิ่งเหล่านั้นคล้ายๆกับพวกสิ่งเสียบทิดทั้งหลายพวกเล่าพวกอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยที่จริงมันก็เป็นโทษอะ่ะแต่เราชอบอะ่ะมันก็กลายเป็นคุณสำหรับเราเราก็ถือเป็นของดีสำหรเราก็ไขว่คว้าปรารถนากันไปนั่นแสดงให้เห็นถึงโมหะนี่ยังเยอย่แยะทำให้โลภะในเรื่องที่ไม่น่าจะโลภะ คือเกิดโลภในเรื่องนี้ไม่น่าโลภเพราะฉะนั้นพวกวัตถุการมทั้งหลายที่กลายกลายเป็นพวกอบายมุกแหล่งอบายมุกทั้งหลายท่านได้ เ, เห็นว่าที่จริงมันคือวัตถุกามแต่วัตถุกรรมที่ปรุงแต่งมีการเชิญชวนชักชวนโน้ม น, น้าวจิตใจของบุคคลกระตุ้นล่อด้วยผลประโยชน์ต่างๆมากมายหลก็เพราะฉะคนที่ปัญญามีไม่มากพอ คือโมฆะอย่างมากไม่สามารถคุ้มครองรอยังได้ก็ตกเป็นเหยื่อก็สิ่งต่อเ น, นื่องในแง่ายแต่ความเป็จริงมันอยู่ที่ชอบหรือไม่ชอบเพราะไม่อยู่ที่ดีกับไม่ดีเท่าไหร่เพราะจริงๆถ้าดีไม่ดีมันต้องสติปัญญาต้องสูงขึ้นไปกว่า น, นั้นจึงจะแยกได้ในระดับเดิงจึงกลายเป็นชอบหรือไม่ชอบที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาแล้วก็ให้เกิดความรักความจังขึ้น ความรับความสั่งนั้นจึงเกิดขึ้นด้วยการปรุงคิดคิดปรุงของเราเองเรากาหนดของเราเองมันไม่ใช่ตัวนั้นเป็นตัวสากลอะไรก็ใกลแๆกับรสชาติของอาหารที่เราเห็นได้จัดเรสมมติว่าเอาคนทุกๆภาคของประเทศสี่ภาคของประเทศที่มานั่งด้วยกันแล้วก็ในที่นั่งนั้นแหละก็มีอาหารประจำภาคที่โดดเด่นน่ะนะ ที่หมายความว่าคนในภาคนั้นก็กินเป็นประจำมาวางไว้ในโต๊ะเดียวกันแล้วคนทั้งหลายภาคามันนั่งกินข้าวด้วยกนันก็เวลาตักครั้งแรกมันก็ตักตามภาคของตัวเองก็แสดงว่านี่คือการสะสมการตอกจำการปลูกฝังจนติดเป็นลักษณะนิสัยแล้วก็มีลักษณะเป็นอุปท า, านคือยึดมัน่นยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้น จนบางทีมันก็ดึงยากกับพูดกันยากเช่นเด็มเช่นในที่บางแข่งการประทานอาหารไปเลยถ้าเกิดพระหยัดไปมากพระหยติปากขอพู้กันแล้วพูดกันอีกพยายามรณรงค์ด้วยวิธีการต่างๆแต่ด้วยอำนาจของโมขะที่สร้างอุปาทานขึ้นมาคือมันยึดติดในในลักษณะ น, นั้นแล้ว ไม่จะศึกษาแล้วเรียนมาสูงๆยังไงแม้แต่เรียนแพทย์เรียนพยาบาลเรียนเรื่องนี้โดยตรงอ่ะพอไปถึงที่อยู่ของตัวเองที่บ้านเดิมของตัวเองก็คงไปตามท่านนี้ถ้าหากว่ายัางถ่ายถอนตรงนี้ไม่ได้คพราะสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วมันเกิดจากการยึดเอาเรือการกำหนดค่าของสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของเราเอง เพหน้าใครหน้าปรารถนาหน้าพอใจหรือไม่มันอยู่ที่เรากําหนดไว้อย่างไรแต่แนวการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนามันเป็นแนวการขัดเราเรามานก็เป็นการมาภพจิตใจเราท่องเที่ยวอยู่ในกรรมภูมิเพราะวัตถุ ก, กรรมเหล่านั้นเป็นปัจจัยเครื่องอาศัย พระพุทธเจ้าก็เห็นรูปวางเถิ ง, งนุ่มเกลียดนิมรดถูกต้องจะตนอนแข่งเหมือนกันพระเจ้าก็มีปัจจัยสี่เหมือนกันพระอหารทั้งหลายท่านก็เป็นอย่างนั้นแต่ความแตกต่างกันก็อยู่ที่ว่าท่านไม่ค่อยคว้าปรารถนาจิตใจตํางนึกฟูขึ้นไม่คุบลงได้มากได้น้อยท่านก็ไม่ยินดีไม่ยินไรอะไรได้มากท่านก็เสวยเท่าที่เท่าที่จําเป็นต้องเสวย แล้วถ้าก็แจกแบ่งไปแต่น้อยถ้าก็อยู่ได้ตามน้อยไมยถึงก็ทุกโทมันนัดเดือดเนือร้อนใจอะไรในเรื่องดอดนี้เพราะแนวการควบคุมวัตถุการมในเบื้องต้นนี้กรทุ้งควบคุมการาราคะในเบื้องตน้นจึงควบคุมอย่าไปถึงกระโลภอยากได้ของคนอื่นโดยวิธีที่ไม่ชอบทำซึ่งกหมายความเป็นการคุมระดับศีล อยถึงก็ไปลักขโมยเขาอยาถึงก็ลุ่มเกินคู่ครองเขาอย่าถึงไปล่อลวงเพื่อได้มาถึงสิ่งที่ตนอยากได้ตลอดถึงฆ่าสิ่งที่ตนอยากได้ตลอดถึงไปดื่มสิ่งที่ตนพอใจจะดื่มถึงมันเป็นเพชรเป็นภัยแก่ร่างกายดงนั้นคุมในระดับในไงได้เราถามไม่เห็นไม่ด้ยินไม่ก็เห็นได้ยินอย่างเงี้แหละแต่ว่าพยายามคุมในจุดนี้ให้ได้สักัีแล้วทํำยังไงว่า จะคุมให้ได้ถึงใจหมายความว่าแม้ได้เห็นได้ยินได้ดูรวมได้ไม่มาจับต้องแต่ว่าปัญญาเกิดขึ้นพิจารณาถึงความเหมาะความควรยอมรับสิทธิของการหลาการไม่ล่วงล้ำกำเกินกันแม้ในด้านความคิดจิตใจและก็คือคุมไม่ให้โลคจากได้ของของบุคคลอื่นทึงเป็นเรื่องของความคิดทั้งนี้ไม่ได้หมายความหมดโลค เพียงแต่ถ้าอยากได้ก็ใช้ควา ม, าวา ม, วามพียายามด้วยสมาชีพคือสวงงามสิ่งเหล่านั้นมาในทางที่ชอบสิ่กควรเป็นการปฏิบัติที่ยกระดับจิตตัวเองมาได้ทั้งมากเป็นเรือนใจที่ถูกคุ้มครองไว้ด้วยธรรมะเป็นการสงบระงับเวบภัยอันตรายเป็นสงบใจจากอารมณ์ ที่เป็นอุปสรรคต่อความสงบก็คือการมราคะในเรื่องเหล่านี้ต้องไปได้ซึ่งกหมายความว่าตรงนี้สงบการจเจริญสมาธิก็ได้ผลเพราะตัวสมาธิก็คือตัวสงบกา ร, รมฉันกันอันเป็นกิเลสประเภทเดียวกันแล้วก็ตัวเดียวกันนะฮะอย่างที่เรียกชื่อต่างกันแต่นั้นคือพวกกรรมฉันจะพูดในแนวของบางทีมันกรึตุ้นนึกเราเองไปในใจ การมาาคะนั้นอาจจะหมายถึงมีตัวกระตุ้นจากข้างนอกด้วยแล้วก็มีแนวเน้นที่แตกต่างกันเพียงแต่ว่าเป็นกิเลสประเภทโลกด้วยกันเพราะนถ้าตรงนี้ส ง, งบสมาธิก็เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งมั่นโดยภายในใจได้เป็นเรื่องค่อยๆขูดกราวขัดกราให้กิเลสบัรจางลงไปลดลงไปบรรเทาลงไปธรรมะค่อยๆเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความความทุกข์ก็จะลดลงความสุขก็จะเพิ่มเพิ่มขึ้นตามสมควรแก่การประกอบเหตุของบุคคลเราดังนั้นต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป